ความนั้นเป็นไง้างบางวันบางขณะมันก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงตลอดสายของการปฏิบัตินตัดเป็นตา่างกัก็ไม่เที่ยงเที่ยงแต่ว่าาไม่เที่ยงมันจะกันตัดเป็นั้งหนึ ง, งครั้งเวลาไม่เที่ยงหนีไป มาตัดแค่สามครั้งมันไม่เที่ยงก็คือมันทรงตัวอยู่นี่แหละแต่มันหมองๆไปไม่ได้หนีไปมองๆไปงไงอ่ามันทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหะจนสุดทางเดินแนละ้วยังไม่หลี่นะแดบจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาโดยภูมิของจิตมันเป็นอย่างนั้นเอง ต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันแจ่มจ้าทั้งวันทั้งคืนมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคุณหมอดูบ อ, อกไหมพอตื่นเช้าเราก็หยิบ่วยจิตขึ้นมางานแรกที่นัดปฏิบัติชั้นดีทำก็คือหยิบ่วยขึ้นมายหยิบง่ายแต่ปล่อยไม่ออกไม่วางรู้สึกไหมจับไว้แต่ไม่ปล่อยปล่อยยากที่สุด นั่นแหละเสรเช้ารีบตะครุบจิตไว้ก่อนเดนะ็กว่าจิตเอามาดูมีมือลึกลับมาหนึ่งนะเสรช้าขึ้มามีมือลึกลับมาหนึ่งหยิบมาเลยเอามานั่งดูดูเช้ายันค่ำปล่อยไม่เป็นมันก็จะดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันปัญญาแจ้งขึ้นมาวันนี้มันทุกข์ลนะ้วนๆพอมันแจ้งว่านี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยเหมือนเราหยิบอันนี้ขึ้นมาทีแรกเราว่ามันของดีนะไม่ปล่อยอามาดูไปดูมา ต่อมาเรารู้ว่าอา้าวนี่มันกิ่งคือไสเดือนอะไรงมันจะกว้างทิ้งมันจะวางต้องทำไปเรื่อยๆนะทำนานหลายปีทำไปไปเรื่อยเป็นกว่าจะสุดสายที่เราจะปฏิบัติกันใจมันเลิกมันยิมมันพอมันเลิกตอนนี้ใจยังไม่หยิ่มยังไม่พอพาะยังไม่เลิกเที่ยวคนว้นคว้าเที่ยวดินรนคน้นคว้าแสวงหาอยากปฏิบัต มัเป็นอย่างนั้นเละดีล้วภาวนาดีนะเอาตัวรอดได้ก็ดีหละใครยังเอาตัวไม่รอดก็พยายามรู้กายรู้ใจนะไม่ได้มีอะไรยากเลยรู้กายด้วยความเป็นกลางรู้ใจด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยเป็นกลางต่อกายเป็นกลางต่อใจเป็นกลางต่อความทุกขความทุกข์ถ้าหากไม่เป็นกลางล่ะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเช่นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกลียดมันรู้ว่าเกลียด เนความสุขเกิดขึ้นแล้วพอใจรู้ว่าพอใจที่นี่แมงวันเยอะมากทั้งแมงวันทั้งแมงบีนะเยอะข้างๆนี้เขาทําไร่มันทําไร่อะไรเงี้ยเขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่กินแมงวันชอบมากเลยปุ๋ยขี้ไก่ใครกินข้าวที่แม ง, ว, มแมงวันตอมก็คือ <c oughs> อ้าคุณคณิตฐาเป็นไงบ้าง แม้ ว, วันนี้มากันพร้อมนั่นแหละมันต้องเวยไปเรื่อยนะ่วยไปจนวันสุดท้ายแหละอเออนะ้ามันจะเห็นขันเป็นทุกข์นะแต่ขันอื่นๆเราเป็นทุกข์จิตจไม่ค่อยเป็นทุกข์เท่าไหร่ จะเห็นว่าใช่จิตเราตั้งมั่นรู้เล้อรู้ตัวอยู่มีความสุขค่อยฝึกไปจนวันใดเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่แหละถึงังวางมีความสุขเหมือนใจเะจ้าจักจ้าอยู่นั้นไม่หมองจะเรียนอะไรนารู้จะสอนอะไรจริงๆ <c oughs> ก, ก็มีแค่ที่บอกนี้แหละนะเท่านี้เองไม่ได้มากกว่านี้หรอก ธรร ม, มะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังมันนั่งฟังหลวงพ่อไม่ได้อะไรหรอกเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการคิดเอาทางเรียนมีอันเดียวรู้สึกเข้าไปรู้สึกกายรู้สึกใจตามที่เขาเป็นรู้สึกไปเรียนกับหลวงพ่อไม่มีเรื่องอื่นเลยนะมีแค่นี้เองอาเชิญเชิญ ถาดีนะหลวงพ่อชอบมากถามว่าทำยังไงจะได้พระโสดาบันถามได้ถูกต้องเป้าหมายแรกที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายต้องไปให้ถึงคือต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้อย่าไปวาดภาเพเอาะนะว่าพระโสดาบันมันยากนักหนาพระโสดาบันคือท่านผู้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราฉะนั้นเราจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเราต้องเห็นความจริงของกายของใจ ความจริงของกายกับใจเนี่ยกายกับใจไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วงั้นเราฟังให้ดีนะเราไม่ได้ละความเป็นตัวเราแต่เราละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราตัวเราไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรกายกับใจไม่ใช่ตัวเราแต่ไหนแต่ไรแต่เราเห็นผิดว่าเป็นตัวเรางั้นอยากละความเห็นผิดก็ต้องเห็นถูกรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจบ่อยๆนี่หลายคนปฏิบัติ จะฝึกแนวใดก็ตามแนวหนอก็ได้นะแนวอะไรก็ได้ถ้าเดินถูกหลักแล้วไปได้เหมือนกันหมดเลยถ้าเดินผิดก็ผิดเหมือนๆกันหมดนะทํายังไงเราจะดูท้องของยุบกาหนดท้องหนอยุบหนอไปหรือยกเท้ายั้งเท้าเราทําไปได้ไม่ผิดอะไรนะแต่ทํายังไงสติตัวจริงจะเกิดสติตัวจริงไม่ค่อยเกิดส่วนใหญ่ชอบไปเพ่งนะพอดูท้องเราจะเพ่งท้องพอดูเท้าเราจะเพ่งเท้า บางสำนักขยับมือนะก็ไปเพ่งใส่มือนะบางสำนักรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ลมหายใจบางสำนักบริกรรมนะพุทโธพุทโธสัมมาระหังอะไรก็ตามก็ไปบังคับให้ใจนิ่งนะคือการเพ่งเหมือนๆกันทั้งนั้นนะแต่ถ้าจะทําให้ถูกเนี่ยเบื้องต้นเอากรรมฐ า, านอะไรมาสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อสอนเหมาเหมาเลยนะเพราะว่ามาจากทุกสำนักอวัดหลวงพ่อเนี่ยมีทุกสำนักไม่ลังเกียจ น, นะ ให้ฝึกหนอมาก็ฝึกต่อไปแต่ว่าฝึกเพื่อให้เกิดสติสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นเราฝึกหนอไปเพื่อให้รู้จักสภาวะนยกตัวอย่างเราดูท้องพองยุบไปดูท้องของยุบไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดให้รู้ทันว่าใจเราหนีไปคิดนี่เราหัดรู้สภาวะที่จิตหนีไปคิดล้วเราดูท้องพองยุบต่อไปใจไหลลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องเรารู้ว่าใจไปเพ่งท้องละ ดูท้องของยุบไปเรื่อยๆใจเบิกบานมีความสุขขึ้นมามีปีติมีความสุขรู้ว่าใจเรามีปีติมีความสุขดูท้องของยุบไปเรื่อยๆวันนี้หงุดหงิดวันนี้ฟุ้งซ่านนะรู้ว่าหงุดหงิดรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องของยุบไปนะสบายใจรู้ว่าสบายใจเครียดรู้ว่าเครียดดูท้องของยุบไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้ไปเป็นการหัดรู้สภาวะนั่นเอง คนที่ฝึกอย่างอื่นก็ใช้ได้นะสมมติว่าเดินจงกลมยกเท้าย่างขาวเดินจงกลมไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดรู้ว่าใจเราหนีไปคิดแล้วเดินไปสักพักหนึ่งใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าเราเข้าไปเพ่งที่เท้าเดินไปจิตใจมีปีสิตัวเบาตัวลอยๆอยรู้ว่ามีปีติเดินไปแล้ววันนี้เครียดฟุ้งซ่านมากรู้ว่าฟุ้งซ่านเดินไปแล้วก็จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆให้หลักเดียวกัน คนไหนหัดกําหนดลมหายใจรู้ลมหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจิตก็ก น, นีไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดหายใจไปจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจหายใจไปเกิดปีตินะรู้ว่ามีปีติเกิดสุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วจิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านนะรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงน <mine> ี่ Knock เป็นการทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนเป็นเครื่องอาศัย นะเพื่อจะมาหัดรู้สภาวะสภาวะมีสองงานรูปกับนามนะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแรกนี่เป็นนามนะคือหัดรู้ทันจิตใจของตนเองนี่ถ้าจะหัดรู้สภาวะที่เป็นรูปบ้างเนะช่นเราดูท้องของยุบเนี่ยดูไปเรื่อยเรื่เราจะเห็นว่าให้ร่างกายที่มีท้องของยุบเนี่ยเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นนะจิตเป็นคนไปรู้ไปดูกายต้องมีจิตที่เป็นผู้ไปรู้กายนะอย่าให้เหลือแต่กายอันเดียว ถ้าเหลือแต่กายอันเดียวแสดงว่าเราเพ่งกายเนะช่นเราดูท้องของยุบแล้วเราเพ่งลงไปที่ท้องเนี่ยเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหลือแต่ท้องอันเดียวอันนี้คือการเพ่งได้แต่สมถะนะเป็นการเพ่งรูปแค่าการเพ่งรูปถ้าทําได้ชํานิชํนานาญถึงขีดสุดจะได้ถึงฌานที่สี่ฌานที่สี่นี่พลิกนิดเดียวนะเกลียดนามไม่ชอบนามธรรมมันจะเป็นอสัญยนะีเป็นลปลงลูกฟักนะจะหมดความรู้สึกตัวดับความรู้สึกลงไปเลย งั้นเรารู้กายเราเห็นร่างกายนี้หายใจไปเห็นท้องมันพองมันยุบไปเห็นร่างกายนี้มันยกเท้าย่างเท้าไปนะก็อค่อยดูไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เหมือนอุนยนตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยการปฏิบัติจะต้องแยกรูปแยกนามนะเอาแต่รูปอันเดียวไม่ได้เพราะว่าโสรดยานในยานที่หนึ่งนะเรียกว่านามรูปปริเสตยาแยกรูปแยกนาม งั้นเราดูท้องพองยุบเราก็เห็นเลยท้องมันพองยุบไปใจเป็นเป็นคนดูนะบางคนรู้อิริยาบทสีรู้รูปยืนเดินนั่งนอนนะสายท่าอาจัดแนบนะสายอภิธรรมสายจันแนบเนะี่ยจะรู้อิริยาบทสีก็ใช้ได้เหมือนกันกนะ็เห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูเราจะเห็นโดยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นฉับพลันว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพรงั้นเราจะต้องรู้กายต้องรู้ใจไป อะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดแนวไหนก็ได้ฝึกเข้าไปเจอแต่ฝึกแล้วจะต้องให้เกิดสติต่วจริงให้ได้สติต่วจริงคือความระลึกได้ระลึก ร, รู้ตันสภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงอย่างคุณที่ถามเนี่ยคุณรู้สึกไหมเมื่อกี้แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจเราไปคิดใจเราไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจเราไปคิดเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม ให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะนี่จุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะคือหัดรู้สภาวะให้ได้สภาวะอันนี้ใจลอยแว บ, บๆไปทราบไหมมันหนีไปใจมันหนีไปแล้วหนีไปเราก็รู้ทันนี่หนีอีกแว บ, บหนึ่งแล้วทราบไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะในสุดเราจะเห็นเลยมันทํางานตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เที่ยมอีกแว บ, บหนึ่งแล้วรู้สึกไหมความรู้สึกตัวหายแวบไปเฉยๆนะตรงนั้นจิตมันลงภวัง ลงไปช่วขนาแล้วก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่คอยรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรยากหรอไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆทีแรกเราก็รู้แต่ของยามต่อไปจิตใจเราขยับขยือนเคลื่อ น, นไหวสักนิดเดียวเราก็เห็นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะวิ่งไปหาความทุกข์มนใส่ตัวเองไปปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วปรุงดีก็ทุกข์แบบคนดี รู้ทันความปรุงแต่งในที่สุดจิตไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นธรรมชาติรู้ล้วนๆที่ไม่ปรุงแต่งอะไรจิตที่พ้นจะกความปรุงแต่งก็รู้ธรรมมาที่ไม่ปรุงแต่งคือรู้นิพพานเวลาจิตสัมผัสมากคล น, นิพพานมีจิตนะบางคนคิดว่าจิตดับไปเลยไม่มีจิตมันมีจิตเรียกว่ามัคคจิตผลละจิตมันหายแว บ, บไปแวบบหนึ่งดูออกไหม ค่ๆรู้สึกนะของคุณติดปัญหานี้คุณตั้งใจมากไปเวลาตั้งใจมากไปมันจะแข็งแข็งจะแข็งไม่มีความสุขให้รู้ไปใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขนะพระจิตที่มีสติเป็นมหาครูโสดจิตมีความสุขมีความเบิกบานมหาครูโสดจิตไม่ใช่แข็งแข็งแห้งแรงจิตที่แข็งแข็งมันอาคูโสดจิตจิตที่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมชื้นชนี่อาคูโสดจิต จิตที่เป็นมหากุศสรจิตนี่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแฝ่ ว, ว่องไวนะไม่ซึมไม่ซื่อนะต้องคล่องแฝ่ ว, ว่องไวด้วยไม่สุกกิเลสครอบงำอย่างเรานักปฏิบัติเราจงใจปฏิบัติในกิเลสครอบงำนะอยากปฏิบัติอยากปฏิบัตินะอะไรตัวกิเลสแหละเมื่อประมาณปีสองเจ็ดสองแปดหลังนั้นนะประมาณใกล้ๆสามศนะูนยหลวงพ่อไปอยู่ในวัดป่าที่หนึง่งตอนเช้าอยากภาวนา แต่คิดว่าจะภาวนาซนะหน่อยพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามบ่อน้ำมาเลยบอกประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วแหมฟังแล้วแหมมันซาบซึ้งถึงใจอยากปฏิบัติยังผิดเลยนะไอ้ไม่อยากปฏิบัติยิ่งผิดหนักใหญ่น ะ, ะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อสอนว่าไม่ต้องปฏิบัตนะิอยากปฏิบัติยังผิดเลยแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติยิ่งผิดหนักขึ้นอีกนะอย่างบอกเราไม่ติดดีนะ ไม่เอาดีเอาชั่วได้ไหมเอาชั่วยิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกนะดียังไม่เอาเลยจะไปเอาชั่วทำไมสอนชาเมืองนะเจ้าเล่สอนอย่างนี้ฟิวต้องดักหน้าดักหลังไปเรื่อยใจลอยทราบไหมเที่ยวสนใจหันไปดูขณะที่สนใจหันไปดูลืมกายลืมใจตนเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตนเอง น, นั้นเรียกว่าขาดสติ เมื่อไรบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาละนะใจจะแข็งแข็งทื่คืได้แต่สมถะเนะ น, นี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมบังคับตัวเองแล้วทราบไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่หันไปดูรู้สึกไหมตอนหันไปดูเนี่ยเบาเโา่าโงๆงตอนนี้หนักหนักแน่นแ่นขึ้นมาดูออกไหมนะทำไมมันหนักมันแน่นขึ้นมาเพราะว่าเราไปบังคับมันเข้า นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือคนบังคับตัวเองส่วนคนไม่ปฏิบัติเนี่ยใจชอบล่องลอยไปล่องลอยไปใจที่ล่องลอยไปลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพ อ, อใจเรียกว่ากรารสุขาริการุโยคเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วส่วนนักปฏิบัติเนี่ยคอยควบคุมกายคุมใจตัวเองเรียกอัตตะกิลมัทฐานุโยกการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจ ก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนกันความปรุงแต่งมีสองด้านนะเนี่ยใจหนีไปแล้วทราบไหมนะพยายามจะไปดูมันนะให้รู้ทันลงไปเลยนะรู้ทันแค่นั้นก็ปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วนะโอ้หลวงพ่อจะทํายังไงนาะมันเยอะเกินหลวงพ่อสอนได้วันหนึ่งไม่กี่คนหรอกนะมีทางที่ช่วยพวกเราได้นะคือเอาซีดีหลวงพ่อนะแล้วไปฟังบ่อยๆ คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมีนับไม่ถูกแล้วนะตอนนี้เยอะมากมีแผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวแหลนะจันเพียงจันมีเทปอยู่ม้วนหนึ่งเนะมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอยู่ในยกมือหน่อยนะจันเพียงจันอยู่ไหมอ๋ออยู่นูน่น น, นั่นอนะมีเทปหลวงพ่ออยู่ม้วนเดียวนะมาสมัยแรกไม่มีซีดีให้มาอัดเพลงฟังจนเทปยืดเลยนะเทปยืดทร้อมๆแตจิตตื่นขึ้นมานะคุ้มค่านะเสียเทเปไปม้วนหนึ่ง ทนฟังไปฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วจะตื่นขึ้นมาไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะฟังธรรมะของหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดมากฟังแล้วเครียดฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วงงรู้ว่าเครียดรู้ว่าไม่รู้เรื่องรู้ว่างงมาฟังหลวงพ่อเพื่อหัดรู้สภาวะเท่านั้นแหละฟังแล้วงงรู้ว่างงจบหลักสูตรแล้วจบบทเรียนที่หนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะ ต่อไปก็รู้สภาวะตามที่เขาเป็นตามรู้ไปเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่ได้มีอะไรง่ายมากใครมันพูดแข่งกับหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อพูดนะมันพูดตามเหมือนเลยนะใครมาเรียนกับหลวงพ่อสมัยแรกก็ได้เปรียบหน่อยวันหนึ่งมีสองคนสามคน สิบคนยี่สิบคนเยนะยร น, นี่นะนี้สามร้อยคนใครจะไปสอนไหวก็วต้องช่วยตัวเองให้มาก <นะ S 1> ฟังซีดีไปวันนี้มีหนังสือออกใหม่เล่มหนึ่งนะหนังสือทางเอง<ส>เดี๋ยวคุณธนาเขาคงแจกให้มัง <นะ S 1> ้งแจกให้คนละเล่มนะไม่ต้องไปเผื่อคนอื่นนะหลวงพ่อมีน้อยเล่มละหลายสิบ <นะ S 1> แจกให้ฟรีๆคนละเล่มพอละในหนังสือหลวงพ่อนะครับ ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่คล้ายๆที่หลวงพ่อพูดนี้แหละเบื้องต้นก็จะบอกจุดหมายปลายทางเป้าหมายแรกของการปฏิบัติเป้าหมายแรกก็คือต้องเป็นสัตว์ดาบานันต้องละความเห็นผิดคือกายกับใจเพราะงั้นการปฏิบัติต้องรู้กายรู้ใจบทเรียนต่อมาก็คือหัดรู้ว่าทางที่ผิดมันเป็นยังไงสิ่งที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้ก็มีสองงานใจเราหลงไปคิดหลงไปเผลอไปนะกับการที่เพ่งเอาไว้บังคับไว้นี่สุดโต่งสองด้า เป็นทางที่ผิดบทเรียนต่อมาในหนังสือเรื่องทางเอกก็จะบอกว่าแล้วทางที่ถูกมันเกิดได้ยังไงทางที่ถูกอนะไปสั่งให้เกิดไม่เกิดนะต้องรู้ว่าต้นทางทจริงๆอยู่ตรงไหนที่หลวงพ่อพูดซ้ําไปซ้ามาต้นทางก็คือหัดรู้สภาวะนะพอเรารู้สภาวะแล้วต่อไปพอสภาวะเกิดสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดขึ้นมานะจิตจะมีความสุข เมื่อจิตมีความสุขจิตจะมีสมาธินะสมาธิเกิดจากความสุขจิตจะตั้งมั่นนะเมื่อจิตมีสมาธิจิตจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็คือการที่จิตมันรู้ความจริงของกายของ ใ, นใจนะเมื่อปัญญาเกิดวิมุตจะเกิดคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อวิมุตเกิดแล้วเนี่ยวิมุตยานทัศนาคือความเข้าใจถึงความหลุดพ้ น, น ver, มันจะเกิดขึ้น เน่ยสายสายเส้นทางของการปฏิบัตินี่เริ่มต้นอย่างนี้มันไม่ใช่เริ่มต้นจากการไปน้อมใจงอกแงกนอกแง ก, งกขาดสติอะไรอย่างนั้นนะเริ่มต้นของการปฏิบัติจริงๆอะหัดรู้กายหาัดรู้ใจไปจนกระทั่งจิตมันรู้จักสภาวะมันจําสภาวะได้สติเกิดพอสติเกิดเนี่ยความสุขเกิดสมาธิเกิดนะปัญญาวิมุตติเกิดจะเกิดไปตามลําดับค่อยๆเรียนนะมีให้ให้อ่านหนะ้าไปอ่านดู หลังจากนั้นก็จะเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติเล่าตัวอย่า ง, งการปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนในเมืองคือเรื่องของพระโพธิละเรื่องทระไบรันเปล่าพระโพธิละทำกรรมฐานด้วยการดูจิตดูจิตเป็นวิธีง่ายๆหัดจากนั้นบทต่อไปจะพูดถึงปลายทางของการปฏิบัติแล้วนะจุดหมายปลายทางเลยตัวนิโรด น, นั่นเองตัวนิโรตตัวนิพพานตัวสุญญาตา ลองไปอ่านดูนะแล้วบทสุดท้ายนี่แหละเป็นบทที่หลวงพ่อจะโดนก้อนหิน <c oughs> คือจะเล่าถึงแนวทางปฏิบัติ ต, าตา่างๆแล้วก็จะเทียบกับปริยัติให้ดูว่าแต่และแนวเนี่ยมันถูกกับปริยัติไหมหรือมันไม่ถูกทําไมหลวงพ่อไปอ้างปริยัติเพื่อหลวงพ่อจะได้ไม่เจ็บตัวใครบอกว่าหลวงพ่อมาคัดค้านเขานะหลวงพ่อบอกปริยัติเพราะว่าอย่างนี้ ไม่อ่านหนะ้าไม่อ่านเพือ่อโมโหโหลวงพ่อจะได้ไม่มาหลวงพ่อจะได้สบายบ้างนะนี่โฆษณาห น, านังสือนะโฆษณ า, าแจกอนะาภัยมีอะไรจะกุยบ้างนะนุชรัดเป็นไงเราอะชื่อนุชรัตน์ยงหันไม่หาใครอ่าไม่ต้องเสียงเราดังละ กิ่ได้ใช้ได้แล้วดูไปดูไปด้วยถ้าโงงมากก็ไปหาหมอนะเป็นโรคประหลาดอะไรไไเออนั่นแหละยังมันหลอกถามเลยว่าโรค ก, กายโรคใจอ้าวชื่ออะไรลืมอีกล้วดูสิตม่กี้ยังนึกได้เลยคุณปปาเนี่ย ดีแล้วดีแล้วนะตอนนี้ที่ทำอยู่เนี้ยใช้ได้แล้วรู้สึกไหมเวลากิเลสเกิดเนี้ยมันมองเห็นเองกิเลสเกิดขึ้นมามันรู้เองละ่ะต้องไม่ทันอต้องไม่ทันนะกิเลสเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีกิเลสโลกไปก่อนแล้วรู้ว่าโลกโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงไม่ใช่ไปคาดคะเนล่วงหน้านะตามหลังตลอดการดูจิตเป็นการดูตามหลังตลอดการรู้กายนี่รู้ลงปัจจุบัน ในการดูจิตดูตามหลังไม่เหมือนกันนะการดูกายกับจิตดูกายดูลงปัจจุบันเลยเราจะเห็นไล้ตัวที่กาลังนั่งตัวที่กําลังกระดุกกระดิกเนี่ยเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกไม่ใช่ตัวเราใจยอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนรู้คนดูอยู่แยกรูปแยกนามเป็นดูกายดูลงปัจจุบันถ้าดูจิตดูตามหลังเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภ แต่ต้องรู้ทันทีนะเนะหลือไปก่อนคิดไปเรื่อยๆจกนกระทั่งโมโหแล้วมารู้ว่าเผลออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ต้องรู้ตามหลังติดๆไปพ่อเป็นไงพ่อ อ, อะไรนะอย่าขี้เกียจ น, นะอ่อ คือชาวพุทธ네เนี่ยไม่ขี้เกียจทํามหากินจะมาอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วขี้เกียจทำมาหากินใช้ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขี้เกียจสอนให้ข ย, ขยขขันะก็ดีแล้วนี่เวลานอนไม่หลับต้องทาใจให้สบายนะครับความรู้สึกดีใจไว้ก่อนโอ้วันนี้ไม่หลับเลยจะได้ภาวนาตั้วรุ่ง นะทําใจอย่างนี้นะเดี๋ยวก็หลับโอ้ยทำไมต้องตื่นตีหนึ่งอา้าวแม่มีเป็นไงอะไรนะอย่าบังคับนะ อะไรนะ จิงนะอย่าเพิ่งไปจิ้งมันต้องอาศัยด้วยก่อนไม่ไม่ทำตามรูปแบบไม่เป็นไรสําคัญก็คืออะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันเช่นเราจะกระดุกกระดิกเนะี่ยเราจะรู้สึกเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเลยหรืออะไรแตลกปลอมขึ้นในใจนะก็มีสติรู้ทันนะเช่นน้อยใจฝุดขึ้นมาเนี่ยเห็นความน้อยใจค่อยดูไป คือเราไม่ได้ใช้จิตทําอะไรหรอกแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะั้ก็มีสติคอยรู้เราจะไปใช้จิตได้ยังง่ายจิตไอ้นั่นมันจงใจรู้ให้สติเกิดเองเช่นพอมันโกรธขึ้นมาเราลึ้ขึ้นได้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ดได้ไม่ใช่ว่าไปนั่งจ้องนั่งจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ จิตผู้รู้ไม่มีจิตตั้งจะมาเคยถามหลวงปู่ดูว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นทีแรกก็ทําตามรูปแบบไปก่อนใครเคยทําตามรูปแบบอะไรก็ทําไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะดูท้องพองยุบไปก็ดูไปนะจะยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปจะหายใจเข้าหายใจออกนะ จะขยับมือทําจังหวะจะรุ้รยนี่จะบเสีอะไรก็ได้ทําไปเถอะแต่ทำแล้วคอยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหัดรู้ไปจนจิตมันจําสภาวะได้เช่นอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนี้ถึงเห็ะ แ, แล้วก็จะเห็นเลยสภาวะอันนี้ไม่เที่ยงหรอกเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดูไปอย่างเนี้ยครับส่งกันบ้าน ไม่ชอบมาถามลงพ่อว่าดีหรือไม่ดีทีแรกก็ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปแล้วก็รู้ทันมันค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะแต่ถ้าเริ่มต้นบอกว่าจะไม่จงใจปฏิบัติเลยทิ้งรูปแบบไปเลยไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยบงทีเฉยไปเลยครูบาอาจารย์เลยสอนบอกเบื <c oughs> ้องต้นตึงไว้นิดนึงก็ยังดีแล้วก็รู้ทันว่าเราไปตึงมันอยู่ เราจงใจปฏิบัติอยู่พอ ร, รู้ทันจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตขนาดนี้มันไม่ตั้งมั่นดูออกไหมรู้สึกไหมจิตมันกระจายเห็นไหจิตมันกระจายกระจายออกไปแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตมันกระจายกระจายไม่ต้องแก้น ะ, ะมันตึงล้วก็เลยกลับข้างทำให้มันกระจายเห็นไหมมันสุดโต่งไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทํายังไงถึงจะถูกทํายังไงก็ผิดนะเพราะสิ่งที่ทํามีสองงานเองถ้าไม่ไปบังคับไปเพ่งไว้นะก็คือหลงไปเลยทำป่ายกุศลก็คือไปบังคับไว้ก็รู้สึกตึงไปนะเรื่องอัตจรรกิลมัฏฐานยุโยกตึงเกินไปนะพอปล่อยอยากที่แก้รับปล่อยแกล้งฟุ้งๆลอยๆนะฟุ้งซ่านเกินไปขณะนี้ฟุ้งซ่านเกินไปดูออกไหมจิตใจกระเจะิดกระจายนะ่ะ ให้รู้ทันตรงที่ตึงเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะตรงที่ฟุ้งต้านเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายอกุศลปรุงเหมือนกันใครรู้ไปนะรู้ทันไม่ต้องแก้นะถ้าแก้แล้วก็ไปใหญ่นใครมันพูดแข่งกับหลวงพ่อตัวเราเนี่ยไอ้เนี่อย่างนี้ไม่เรียกตาบรู้เรียกว่าตาบพูดนะใรลอยไปแล้ว้าฟส่งกันบ้าน นั่นแหละนั่นแหละไม่เหมือนกันที่ทำอยู่พอใช้ได้แล้วดูไปได้ดีแล้วโน่นล่ะผมยาวๆเป็นไงนั่นแหละเราเนี กิเลสเกิดเห็นไหมอ้าวคุณโนตส่งกันบ้านที่ทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะดีแล้วใช้ได้แล้วดูไปด้วยวันนึงก็ตัด อ, อ้าวคุณพุ้น สบายนะแต่ว่ากิเิตเกิดต้องเห็นนะแี่สบายแล้วเปลินๆไปเลยนะเอาจันตูมันอะไรนะธรรมดาความปรูงแต่งฝ่ายอาคูส่วนมันเยอะ ความปรุงแต่งสายูุสนเกิดน้อยกว่าธรรมดาแต่ว่าทุกครั้งที่รู้นะก็ได้คะแนนไปด้วยแล้วจิตเป็นยังไงวันเนี้ยออรู้สึกไหมมันไม่แช่มชื่นเท่าไหร่มันลุกลี้ลุกลน้นนะรู้สั่นหน้ารู้ไปไม่ต้องไปทำให้ดีหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นจะได้ละดเรเล็กล่ะเป็นไง หรอพูดเป็นใจรักนะถามที่ไรตอบเป็นใจรักทุกครั้งขึ้นๆลงๆดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยสองพี่น้องนี่ ดแล้ว ไ, ได้ดูไปนะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะดูออกไหมขณะนี้ใช้ไม่ได้แต่ที่ทำอยู่ใช้ได้ เรียงนันแหละเราจะเห็นขันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเออต้หงทำอย่างนั้นแหละดีแล้วทําตอไปดีแล้วทาได้ดีละเราจะเห็นขันห้ามันทำงานเช่นมันไปร้องเพลงเรียงดีนะบางคนมันด่าหลวงพ่อนะ นั่งและจิตไม่ทำอะไรอย่างอื่นดา่ารู้ข้ออย่างเดียวด่าไปขอเข้ามาไปบางคนยวร้องเพลงแต่ร้องเพลงที่แย่หน่อยคือร้องประโยคเดียวร้องซ้ําอยู่นั่นน่ะสามวันสามคืนนะมันทํางา น, นเองขันมันแสดงให้เราดูร่างกายมันก็ขับรถไปจิตใจมันก็ทํางานทังมันไป ไม่มีตัวเรารู้สึกไหมไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยในที่สุดจะปีความรู้สึกกลวงๆไม่มีเราแต่ตอนนี้นยังไม่ตัดยังมีอยู่แต่สังเกตไหมความเป็นตัวเราอะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่มีอยู่ออ่ดูให้ออกเนาะเออดีละทั้งสองพี่น้องได้ได้คุณจิรพันธ์ลักเป็นไงไม่เจอกันเดือนกว่า วันนี้ชอบแบบเงียบๆตอบหลวงพ่าแบบเซนนิฟเป็นไงเไงหรออะไรเรื่อยๆอ๋อนึว่ามีกิเลสเรื่อยๆไตามกิเลสไปเรื่อยๆดีแล้วดีแล้ ว, ด, ลวดูไปคล่นเป็นไงสัเง เ, เกตไลสใจมันสว่างกว่าแต่ก่อน มันสองใสมันสบายมันเบาหวัวแตกก่อนรู้สึกไหมทำแปดดีแล้วอ่ะคพ่งอ่ะเรื่อยๆไม่ควรละพวกนั่งริมนี้เรื่อยๆทั้งนั้นเลยนะจิต <c oughs> เราเป็นยังไงดูออกไหมขนาดนี้อะไรนะอะไม่เบิก บ, บานรู้ทันมันได้ หรือชื่ออีกแล้วดูสิเออคุณเอะกิเลสเยอะไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะสงบก็ไม่ได้แปลว่าดีไม่สงบก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ารู้ทันหรือไม่รู้ทันนะออพยายามไม่ดออีพยายามเป็นโลภ บางคนจะคุยกับหลวงพ่อเลยเกรงเลยไม่ค่อยกล้าพูดนะพูดอะไรก็โดนดับหน้าดักหลังไปเรื <c oughs> ่อยคือเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบไม่ได้ปฏิบัติเอาดีแต่เราปฏิบัติหลวงพ่อบอกมาแล้วนะเพื่อจะลักความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นตัวเราแม้เราจะเห็นในจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดียเด๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านหาความแน่นอนไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนที่ยึดตือได้เลย เนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วมุ่งมาในแนวที่จะเห็นอย่างนี้นะใช้ได้เลยดีเพราะฉะนั้นคําว่าดีกับคําว่าไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แปลว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสคําว่าดีเพราะว่าไม่มีกิเลส น, นะหรือไม่ดีเพราะว่ามีกิเลสเนี่ยเป็นดีในทางจริยธรรมแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อเอามรรคผลนิพพานเนี่ยมาตรฐานคําว่าดีกับไม่ดีเนี่ยจะต่างไปจากเดิม จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลอยู่ดีเรียบร้อยลนะแล้วนะแพระพุทธเจ้าบอกนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีจิตเป็นกุศลนะไม่รู้ว่าเป็นกุศลไม่ดีไม่ดีดเช่นบางคนมานั่งฟังธรรมะจิตใจปราบปลื้มมีความสุขมากเลยปลื้มปลื้มปลื้มจนลืมเนื้อลืมตัวไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีฟังหลวงพ่อแล้วงงพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ต่างแล้วงงงงรู้ว่างงดีเออเห็น <_ d _ un> ไหมจิตเป็นอักขูศนรู้ว่าเป็นอักขูศนนัดีแม <_ d _ un> ้นดีกับไม่ดีนี่มีคนมาตรฐานกันถ้ามาตรฐานทางจาริยธรรมเนี่ยถ้าจิตมีความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ดี<_ <d> _ <un> ถ้ามาตรฐานของการปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ดีจิตเป็นอักขศน์รู้ว่าเป็นอักขูศลดี<_ <d> _ <un> คนละมาตรฐานกันแล้วเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกใจไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าเมื่อไรใครเห็นว่าไม่ใช่เรานะมันทำงานของมันเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วดีแล้วอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกมีใครตรงกันบ้านอีกไหมอะไรนะ จะเป็นอุบายนะเป็นอุบายแก้ฟุง้งนะเช่นเราคิดถึงคนนี้แล้วต้อเปลี่ยนมันมากเลยจิตเราฟุ้งซ่านไปด้วยมีโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ช่วยพิจารณาไปก็ได้เนี่ยเป็นเกลียดเขาเลยจิตใจไม่สบายไม่สงบนะไม่ควรจะโกรธกันสัดทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเลยคิดไปแล้วจิตใจสบายเพราะฉะนั้นะการคิดพิจรารณาเนี่ยเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะถามว่าดีไหมสมถะดีแต่ดีแบบสมถะ สมถะก็ดีแบบสมถะวิปัสสนาก็ดีแบบวิปัสสนาไม่ใช่ว่านักปฏิบัติจะเจริญสติแล้วเกลียดสมถะนะหลายคนที่หัดเจริญสติแล้วบอกว่าไม่เอาสมถะเราพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราพุทธเจ้าบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนายามใดควรทําสมถะก็ทำํำยามใดควรเจริญวิปัสสนาก็ทําไม่ใช่เกลียดอันใด ห, หนึ่งหลายคนเกลียดข้างหนึ่งนะ บางคนบอกว่าจะขอทําสมาธาก่อนนะจนกระทั่งจิตสงบถาวรแล้วถึงจะมาทํำมิปั ส, สนาชาติหน้าก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมถาวรไม่มีหรอกในโลกนะงั้นถ้าเมื่อไหรเราทรําความสงบมาจิตเราสงบแล้วเนี่ยต้องรีบฉวยโอกาสนะเอาจิตที่สงบแล้วเนี่ยมารู้กายมารู้ใจตัวเองฉนะวยโอกาสถ้าทิ้งโอกาสนั้นไปไประเดี๋ยวหนึ่งจิตจะฟุ้งต้านอีกแล้วต้องฝึกสงบไม่เที่ยงและต้องฉวยโอกาส หรือใครจะทํำวิปัสสนานะก็อย่าไปเกลียดสมรรหลายคนทํำวิปัสสนาบอกไม่เอาสมรราหลวงพ่อเห็นติดสมรราทั้งนั้นเลยพวกที่บอกว่าไม่เอาสมรถรคานะเช่นขยับมือนะบอกไม่เอาสมรรคนะขยับไปแล้วเกิดปีติเลยนะหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะรู้สึกตัวลอยตัวเบาเลยอาการของสมรถราทั้งนั้นเนะงี้ยเราก็เลือกเอานะทําด้วยปัญญาอยิ่งทนะ่บอก ที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาปัญญาอันยิ่งก็คือขณะนี้เราควรจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัดนะระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวเช่นขณะ น, นี้จิตใจเราฟุ้งซ่านมากแล้วดูกายดูใจไม่ออกหละนี่ต้องทําสมถะพุทโธพุทโธไปหายใจไปดูท้องของยุบไปนะยกเท้าย่างเท้าไปนี่สมถะทั้งนั้น ทำไปเรื่อยพอจิตใจสบายจิตใจสงบรู้ว่าจิตสบายรู้ว่าจิตสงบนี่กลับเข้ามารู้จิตได้ละหรือว่าพอจิตตั้งมั่นนะเราทุงมต้านมากเราก็ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปนะอย่ากำหนดไม่กําหนดไม่เป็นไรดอกเดินไปเรื่อยๆพอจิตมันสงบขึ้นมาเราจะเห็นในใจมันตั้งมั่นขึ้นมานะมันจะเห็นร่างกายนี้กําลังเดินจิตนี้เป็นคนดูนี่กําลังเจริญปัญญาทำวิปัสสนาดูกายแล้วนะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนะ เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะ้วถ้าจะดูจิตนะเช่นจิตมันฟุ้งซ่านมากเราก็ไม่เดินจงกรมเดินไปแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตหนีไปคิดรูว้ว่านีไปคิดนี่กลับมาดูจิตได้ละนั้นสมถะก็มีประโยชน์เป็นแนวสร้างรับของเราไม่ไม่ขวดหลังเกียรติอกแต่ก็ไม่ใช่เอาสมถะนะทําแบบไม่ลืมหูลืมตานะลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้หรอก ถ้าทำสมถะแล้วปรรู้มากผลนิพพานเกิดสติเกิดสัญญาฤาษีทั้งหลายไปก่อนแล้วนะอย่างอารารดาบทุกดาบทําสมถะเกง่งแต่เจริญวิปัสนาไม่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยากไปสอนผู้นี้เพราะกิเลสเบาบางรู้ว่าตายกันแล้วผู้นี้ตายไปสักก่อนละ่ะไปเกิดเป็นพระพรหมนะนี่พระพรหมแบบไม่มีรูปด้วยไม่ใช่พระพรหมเอาราวัณ น, นะมีรูปมีรูปประตูโคตรทูปได้เห่นไหม เป็นปรอมไม่มีรูปพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าไปเป็นปลอมไม่มีรูปนะท่านอุทานเลยว่าคิปหายนะ้ไม่ใช่อุทานว่าโอ้ขลังจังอุทานว่าคิปหายแนละ้วงั้นทำสมถะรวดไปไม่ดีนะทิ้งสมถะไปเลยก็ไม่ดีปฏิบัติแล้วแห้งแรงแต่ต้องรู้จังหวะของตัวเองจังหวะนี้ควรจะพักก่อนทําสมถะจังหวะนี้จิตใจตั้งมั่นดีแล้วควรจเจริญปัญญา ถ้ารู้กายได้ก็รู้กายรู้จิตได้รู้จิตไปรู้จิตได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กายเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปรู้กายไม่ได้ทำสมรถิทำสมาธไม่ได้ไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลทะเห็นไหมหลวงพ่อลดระดับให้เยอะเลยนะทำสมรถก็ไม่ได้แล้วก็ไปหาอะไรที่เป็นกุศลทำเช่นไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่นะ ให้อาหารหมาแมวยกเว้นที่นี่นะขอร้องว่าอย่ามาให้อาหารหมาแมวที่นี่นะเดี๋ยวหมามาอยู่เต็มวัดเลยพวกเราพ อ, อนายาบหรือไปเลี้ยงปลาก็ได้หลายวัดก็มีวังมัตฉาให้เพื่ออาหารเลี้ยงปลานะปลาได้กินอาหารพระได้เงินมีความสุขทั่วๆกันเราเลี้ยงไปแล้วแมมใจเรามีความสุขเรู้ว่ามีความสุขกลับมาดูใจได้ละ นการปฏิบัต billion, billion, billion, billion, billion ิจริงๆอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยการปฏิบัติกับการดํารงชีวิตจริงๆจะอยู่ด้วยกันถ้าใครการปฏิบัติทำกับการดํารงชีวิตยังแยกส่วนกันยังอีกไกล ถ, ถ้าใครสามารถปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆได้ เ, เส้นทางเดินนี้สั้นมากใครสามารถจเจริญสติในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงนับถอยหลังได้ละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหมอนั้นนี่กี่เดือนเนี่ย ปีกว่าๆอีกซึกไม่นานหรอกทําไปทําไปวันหนึ่งใจก็แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราห้านะทีมนี้มาจากไหนกันบ้างอ๋อมาจากวิเวกอ่ะใกล้ๆเนาะเออครนะคับสุดท้ายหรือเปล่า <laughs> ครั้งแรกไม่เป็นไรนะ รู้สึกนะรู้สึกสติเป็นอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติก็เป็นสิ่งที่เราสั่งให้เกิดไม่ได้นี่บางคนบอกพยายามกำหนดให้ทีๆพยายามกำหนดอย่างทียิบเลยหวังว่าจะไม่ขาดสติแท้จริงไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้พอเราจงใจกำหนดมากเข้ามากเข้าจิตเราจะแข็งแข็ง แข็งจิต ท, ที่มีสติตัวจริงนะี่จะไม่แข็งหรอกจะเบาจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานโยมรู้สึกไหมจิตของโยมมันนิ่งยืนพื้นอยู่มันนิ่งๆนะมันมีความสุขนะอา้ามันเปลี่ยนไปดูไปเรืนะ่อยแต่ใจต้องให้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นไปดูให้ดีค่อยๆดูตัวสภาวะไปเรื่อยๆ โยมสังเกตอันหนึ่งนะฝากกันบ้านเรามีความจงใจที่จะปฏิบัติเหลืออยู่ไหมนั่นแหละตัวนั้นเน่ยไปดูนะดูตัวนี้ของคุณที่ติดอยู่ตอนนี้คือตัวนี้แหละพอเราจงใจเนะี่ยมันจะยืนพื้นทื่อๆอยู่นิดหนึ่งมีความนิ่งๆทื่อๆอยู่นิดหนึ่งตัวอื่นเคลื่อนไหวหมดเลยแต่ไอตัวที่เป็นคนดูเนี่ยนะจะนิ่งๆ ท, ทื่อๆอยู่นะแล้วคอยดูตรงนี้นะคือเรายังจงใจปฏิบัติ อย่าตอนเนี้ยใจหนีไปไหวๆแล้วรู้สึกไหม ใ, ให้รู้นะรู้สักว่ารู้ไม่ใช่ถลําลงไปรู้นะรู้อยู่ห่างๆดูเหมือนคนวงนอกดูนะไม่ใช่ถลําเข้าไปเนี่ย ใ, ใจไหลแว บ, บหนึ่งดูออกใช่ไหมขัดแว บ, บไปเฉยๆก็รู้อย่างนะั้รู้ไปนะแต่โยงต้องทําให้สบายกว่านี้นะโยงใจเยอะไปนิดนึงจงใจ ม, มากไปเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดทรมบไหมใจไหลไปคิดแวบบนะให้รู้ถัน ของโยมเนี่ยมันจงใจจนกระทั่งใจมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งยืนคื้นอยู่นะที่หลวงพ่อบอกว่าใจมันนิ่งๆอะ่ะอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นแล้วว่าอารมณ์เคลื่อนไหวแต่ใจเราเราประคองจนมันนิ่งนะเพราะเราจงใจปฏิบัติเราไปประคองตัวนี้จนนิ่งนะเราจะต้องเห็นด้วยว่าตัวนี้เองก็ไม่เทียเ่ยงเปลี่ยนแปลงไม่งันะ้นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตายกเว้นให้คนที่ดูนี่ คนที่ดูนี่นิ่งนิ่งเที่ยงอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยะมันจะมีตัวที่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราจงใจไปปฏิบัติเข้าจงใจไปทําแล้วทั้งเราเกิดตัวรู้เนี่ยนิ่งนิ่งขึ้นมาเป็นตัวที่เป็นคนไปรู้อันอื่นตัวนี้จะนิ่งนิ่งยืนพื้นอยู่ะให้เรารู้ทันว่าเนี่ยเราจงใจไปบังคับมันนิ่งแล้วจงใจปฏิบัติปากตรงนี้นะคุณทําพื้นฐานคุณดีมากแล้วล่ะดีแล้ะต่ออีกนิดเดียวนะนิดเดียวไม่ยากหรอก สังเกตไหมตัวนิ่งนั้นคลายออกหนคลายออกไปแล้วพอตรงนี้กลับมานิ่งใหม่ละรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันตรงนี้นะมันของไม่เที่ยงเราอย่าไปทํามันเที่ยงขึ้นมาห น, ะนีไปคิดแล้วทราบไหมคนที้เคยเห็นเนื่อคนนี้นะให้รู้ทันไปเรื่อยๆใช้ได้นะให้ดูไปหลวงพ่อชอบที่สุดเลยคนตึกของยุคนี้ชอบมากเลยเพราะอะไรต่อง่ายนิดเดียวเลยต่อง่าย ปรับนิดเดีย่ยอาจารย์ก็สอนดีนะแต่บางทีเราทําแล้วมันไม่ตรงไม่ตรงกับสภาว ะ, ะ, าวะอ่าเนี่ยเราทําไมไปกําหนดเครียดหนอเครียดหนอเพราะเราไม่อยากเครียดใช่ไหมเพราะัน<ม>พอเครียดเกิดขที่มาเราเครียดหนอเครียดหนอหายเครียดนั่นคือสมถะนะคือสมถะ อย่างความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธเนอะโกรธเนอหายโกรธแล้วเราบริกรรมนั่นเองก็หายโกรธเป็นสมถะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นโกรธเนาะโกรธเนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกําลังปรากฏอยู่อย่างนี้ใช้ได้เครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดรู้ว่าเครียดจะเครียดหนอะไม่หนอะก็ได้นะเคยหนอก็เนอไปเครียดหนอเครียดเนอแต่ไม่ใช่เพื่อให้หายเครียด เพื่อเตือนตัวเองให้เห็นสภาวะของความเครียดที่เดี๋ยวก็เครียดแรงเดี๋ยวก็เครียดเบารู้สึกไหมความเครียดมีดีกรีที่ไม่คงที่ดูไปเรื่อยๆนะแต่ใจตัวนี้ต้องสบายของคุณเหนือปัญหาเดียวคือใจตัวนี้ไม่สบายใจตัวนี้แข็งไปมีใจที่แข็งยืนพื้นอยู่ตัวหนึ่งพอตัวนี้แข็งอยู่อย่างเนี้ยมันจะปิดกั้นการเจริญปัญญามันจะเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงนะยกเว้นตัวนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจิตของเราเที่ยง เราจะเห็นว่าจิตเป็นของบังคับได้ยิ่งฝึกไปนานๆพอเราแก่เนี่ยนะพอโกรธ ป, รปรับโกรนเนอที่เดียวหายโกรธแล้วเครียดหนาะที่เดียวหายเครียดแล้วเราจะรู้สึกว่าเราบังคับได้เราแก้ไขได้คือแทนที่เราจะเห็นว่าเป็นอนัตตาเรากลับไปเห็นว่าเป็นอัตาจิตนี้ถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยนะเราสามารถบังคับได้เราจะไปเกิดความเห็นผิดขึ้นแต่เราจะต้องเห็นไปเรื่อยเขาทางานของเขาเองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย จนวันหนึ่งรู้แจ้งเลยเขาเป็นอนัตตาเราบังคับเขาไม่ได้ฝากไว้นะตัเนี้ของคุณเน่พื้นฐานดีมากเลยนะร้อยคนตันคนยังไม่ได้สักคนอา้าวอาจารย์ปูอาจารย์สุรวัตรมาไหมมาเหรอเราแต่ปีเลี้ยงรูปอยู่ที่อื่นว่าไงอาจารย์ปูเป็นไง ดังนี่เธอหลวงพ่อดีอข้างนอกเสียงมันดังด้วยช่งางก็ทำงานไม่เลิกทำตั้งวันทั้งคืนเนอะเมื่อวานกำแพงกั้นที่จอดรถเนี่ยทลายลงไปฝนตกหน่อยเดียวพังเพิ่งมาทำกันทั้งคืนเนะอะว่าไปว่าไป ซ้อเนี่ยเกิดจากความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นทุกตามธรรมดาของขันของกายของใจนี่มันทุกโดยตัวของมันเองแล้วทุกอันที่สองที่ซ้อนขึ้นมาก็คือทุกเพราะความอยากไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ก็เลยทุกซ้อนเพราะฉะนั้นถ้ากายกับใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นทุกมันเป็นอะไรก็ตามแต่นะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่มีทุกอันที่สองใจจะสบายจะเห็นขันห้าเป็นทุกนะแต่ใจสบาย อันนี้ก็ยังเห็นผิดอีกอะแต่ว่าอาศัยตรงนี้ไปก่อนอ้าคุณนี่ลืมชื่อแล้วเป็นไงมันตัอดอีกหรือยังวันนี้วันชุมนุมนะเนี่ยเป็นไงบ้าง <c oughs> อะไรนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละดูไปเรื่อย นะไม่ใช่เราเป็นนะกายมันเป็นใจมันเป็นรู้สึกไหมเออมันไม่ใช่เราเป็นหรอกดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงของเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยเอออย่าหนีโลค ก, ก็แล้วกันนับปฏิบัติไม่หนีโลคนะอยู่กับโลกนี้แหละมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปนะมีหน้าที่ทำงานก็ทำไป อยู่กัโลกแล้วก็อาศัยผัสสะการกระทบกระทั่งเนี่ยมารู้ทันใจของเราถ้าเราหนีโลกถอดถอยไปอยู่ถ้ำคนเดียวบอกไม่เคยโกรธใครเลยนี่ความโกรธไม่โผลมาปีหนึ่งแล้วนะถ้าใครบอกงี้เราชี้หน้าด่านะโกรธเลยนะปีหนึ่งหายไปแล้วอย่างนี้ผัสสะนะงั้นอย่าถอดถอยนะให้ภาวนาไปแล้วอยู่กับใครก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียว เป็นอะไรไม่ได้นะแล้วมันจะฟังอะไรล่ะไม่ฟังอะไรไม่ต้องฟังแล้วดูเอาเราฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติรู้กายรู้ใจได้แล้วเราก็รู้กายรู้ใจไปสิก็ไม่ต้องไปฟังอะไรจิตใจมันเบิกบานรู้ว่าเบิกบานเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยอ๋ออาจารย์สุรวัตร ส่งการบ้านแหมอาจารย์สุรวัตรอยู่นอกศาลาแล้วเป็นไงภาวนาอาจารย์สุรวัตรโอ้ยจนปัญญาแล้วนะอย่างบางคนบอกทำไมหอ้อยพิตีนาถทำศาลาเล็กจังางใหญ่วันนี้หลูงพ่อเดูไว้ถึงแร้วไม่ได้ยิน่ะ อ่อนี่รู้จักทิมสร้างวัด น, นะทิมสร้างวัดหลวงพ่อมนตรีท่านให้สร้างมาขอหลวงพ่อสร้างตั้งนานนะมาขอหลวงพ่อว่าที่ส่วนโเนี้เล็กไปจะสร้างที่ใหม่ให้หลวงพ่อไม่เอาอไปภาวนาไปไม่ต้องมาสร้างที่อะไรให้หลวงพ่อหรอกนี่ก็ตาไปซื้อที่อยู่หน้าส่วนโพกาจจะได้เรียนง่ายๆ ตอนหลังๆครูบาอาจารย์สั่งบอกให้หลวงพ่อย้ายที่้แล้วที่นั้นไม่รับคนไม่ไหวแล้วออมอบหมายให้พ่อยนี้เป็นคนมาสร้างที่ใหม่หลวงพ่อเลยจับใจรับนะปฏิเสธเขามาตั้งสามสี่ครั้งแล้วมาขออยู่เรื่อยๆขอสร้างขอสร้างไม่เอาสร้างภาวนาไปอยากสร้างคนไม่ใช่สร้างที่แต่ว่ามันก็ต้องอาศัยที่เนาะ กดมันต้องมีที่อยู่ใช่ไหมตอนนี้เสร็จยังไม่ไม่ทั่วถึงนะยังเปิดรับให้เข้ามาพักไม่ได้ช่างเชื่องอลยยังเต็มบัดเลยบุติีทั้งหลายที่สร้างไว้นี่ยลังคืนช่างเข้าอยู่เต็มเลยเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยนะหลวงพ่อจะเปิดให้จองคงจองกันหลายปีว่าจะถึงคิว พูดมากไม่เอาเนี่ยข้อแรกเลยเดี๋ยวไปชวนคนอื่นเขาคุยเอาแต่คนเจริญสติว่าไงโยผู้ชายนี้มีอะไรไหม คนนี้ที่จะมาบอกอ่ะมันเกิดจากการที่เรากำหนดเวลากระทบตาหูจมูกลิ้นกายากระทบนะเรากำหนดปุ๊บมันตัดไม่มีความกระเทือนเข้ามาถึงจิตมันตัดไปเรื่อยเลยในสุดใจนี้จะนิ่งคงที่อยู่นนะครูบาอาจารย์องค์นึงหลวงปู่มั่นไปสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าเราฝึกไปเรื่อยู่กระทั่ทงเฉยนะถ้าเฉยได้ที่นะอย่างเราจะขยับมือหยิบขวดเนี่ย นิ้วเรากระดิกคลิกๆๆเราจะเห็นในกระดิกหมดเลยแต่ละนิ้วนี่กระดิกยังไงจะรู้สึกอ่ะแต่เราจะลืมตัวเองจิตมันจะเพ่งอยู่มันจะเพ่งอยู่ที่รูปหรือภาพกระทบผัดสาบปุ๊บมจะกําหนดลงไปตรงนี้ตรงที่กระทบเนี่ยใจนี่นจะคงที่จะเฉยคงที่เราก็คิดว่าจิตเราค้นจากอภิชาตมานัสพ้นจากความเหนดีเห น, นร้ายไม่ใช่หรอกมันพ้นจากการบังคับไว้พ้นด้วยการบังคับไว้ใจเราไม่เป็นธรรมดาคุณรู้สึกไหม การปฏิบัติเนี่ยทําให้ใจเราไม่เหมือนธรรมดามันนิ่งกิจธรรมดาค่อยๆดูตรงนี้นะปากให้ดูมันเกิดจากการที่เรากําหนดมากๆเข้าจนกระทั่งมันนิ่งนี่เราก็ไปคิดว่าความนิ่งเนี่ยคืออุเบกขาละคือสังขารุเบกขาบ้างอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่อย่างนี้หรอกลักษณะของจิตที่เป็นมหากุสลเนี่ยนะจะนุ่มนวลคุณรู้สึกไม้มตัวที่นิ่งนี้ไม่นุ่มหรอก จิตที่เป็นมหากุสลนะ่ะนุ่มนวลมีมุทุตาจะมีความเบาคุณรู้สึกไหมไม่เบาไม่มีละหุตานะคุณรู้สึกไหมมันนิ่งมันคงที่อยู่งั้นไม่ปลาดเปรี่ยวไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีปาาคุณตานะงั้นจิตดวงที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวมหากุสนและจิตตัวจริงแต่เป็นจิตที่หนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆซึมๆทื่อ จิตชนิดนี้ยังไม่ใช่จิตที่ใช้เจริญสติตัวจริงหรอกเป็นจิตที่เราสร้างมันจะนิ่งเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเรานิ่งจะมีเรานิ่งอยู่อันเรียกากเป็นการบ้านนะค่อยๆสังเกตไม่เชื่อหลวงพ่อก็ยังไม่เป็นไรเอาไปค่อยๆสังเกตดูเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าสังขารทั้งพวงไม่เที่ยงแต่เนี่สังขารตัวหนึ่งกําลังเที่ยงขึ้นมาละ หลังการตัวหนึ่งกำลังเที่ยงขึ้นมาคือตัวจิตที่ไปรู้สิ่งต่างๆเริ่มเที่ยงขึ้นมานี่ยังจะถามอีกเหรอมันมีสองงานเลยขั้นเบื้องต้นเนี่ยทาให้เกิดสติ นะขั้นที่สองทำให้เกิดปัญญานะคนรัศ็รกันขั้นแรกทําให้มีสติก่อนนะส่วนใหญ่ขาดสติอ่ะไม่มีสติมันจะไปทําอะไรได้นองรู้สึกไหมว่าใจของเรามันตื่นขึ้นมาละเมื่อ ใ, ใจมันตื่นขึ้นมาคราวนี้เป็นขั้นจเจริญปัญญาขั้นไปรู้กายขั้นไปรู้ใจนะเห็นไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ไปดูเป็นปฏิคูลนะปฏิคูลอสุภะไม่ใช่ของจริง ของจริงคือใจรักการที่ไปดูเป็นปฏิปูลเป็นอสุภะมันเพื่อข่มราคะเป็นสมถะเพราะงั้นเราพอเรามีสติขึ้นมารู้ลงไปที่กายจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นธาตุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุสีนี้เรียกว่าการรู้รูปรู้กายนี่เป็นขั้นที่เราเจริญปัญญาแล้ว แต่ตรงที่น้อมคิดเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะนี่เพื่อแก้ราคาเป็นสมถะแยกให้ออกงั้นตอนนี้จิตของนองมันตื่นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของคนที่จิตตื่นขึ้นมาก็คือรู้กายไปอย่างที่เขาเป็นรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นเห็นไหมกายกับใจเปลี่ยนแปลงทั้งวันน้องดีแล้วนะตื่นได้เต็มที่แล้วมีหน้าที่จเจริญปัญญาแล้วทาไป มันมีเยอะแยะเลยอย่ยงมันมีปีติมันทราบซ่านขึ้นมานี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งจิตมีสติขึ้นมาก็มีความสุขหละพร้วจิตที่มีสตินี่เป็นมหาภูศุรจิตจิตที่เป็นมหาภูศุรจิตมีโสมนัตเวทนามันจะมีความสุขเฉยขึ้นมามันเกิดเองแต่เราไม่ได้เอาไว้ยึดถืออะไรหรอกก็เห็นว่ามันปรุงของมันไปเรื่อยของไม่เที่ยงหลวงพ่อแต่ก่อนนะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่านั่นแหละ วัดป่าแต่ก่อนเน้นมากเลยเรื่องจิตผู้รู้ได้ยินบ้างไหมจิตผู้รู้อย่าทิ้งจิตผู้รู้นะไม่งั้นจะอย่ยงนั่งสมาธินั่งกันเป็นคืนคืนแล้วก็เคลิ้มก็แงกกงแงกงั้นไม่ได้ขาดสติแล้วถ้าเราจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งแบบรู้เนื้อรู้ตัวเห็นจิตใจเราสงบลงไปเห็นอารมณ์กรรมฐานเรต้องมีสติประกอบตลอดสายเลยขาดสติคือขาดการปฏิบัติเลย เอารุดว่างคนสุดท้ายนะคนรุดนะอืออ่าใช่ใช้ใได้ไดคืออย่างนี้ครูเจ้าท่านสอนนะบอกว่าให้ใจเรามันพยายามคุ้นเคยกับอารมณ์ที่ดี เเวลาจะคิดเนี่ยแทนที่จะคิดสเปสสปะเราคิดเรื่องอนุสติสิบอย่างคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงอาสุพะคิดถึงกายนะคิดถึงลมหายใจเนี่ยใช้ได้จิตสงบนะถ้าเราจะพูดท่านบอกให้พูดคาถาวัตถุสิบอย่าไปพูดเรื่องอื่นเรื่องการเมืองการเมือง พ, พ, นะพูดเรื่องคาถาวัตถนะุเรื่องมรคน้อยสันโดษเรื่องไม่คลุกครีนะีนะ่ยเรื่องทานเรื่องศีลนะพูดเรื่องเหล่านี้แล้วจิตใจสงบ ถ้าจิตใจเราสงบเนื่องภาวนาง่ายเป็นฐานถ้าวันนี้พอนะเดี๋ยวขอหลวงพ่อคุยกับพระนิดหนึ่งขอความร่วมมือโยมอย่งนี้ได้ไหมเวลาเราน้อยนะโยมเยอะถ้าโยมมาหาหลวงพ่อกี่ลพดเนี่ยนะอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เสร็จไม่ได้คุยกับพระนะเพราะงั้นถ้าโยมจะถวายอะไรจะอะไรนะฝากไว้เลยได้ไหมนะปากไว้เลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อขอไปคุยกับพระละนะ